มิลินทะปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทะปัญหาเมนกะปัญหาจะตุถวักมุสาวาทะครุละหุภาวะปัญหาที่เก้าถามว่าภิกษุต้องสำปชชนะมุสาวาดนั้นตรัสว่าเป็นปาราชิก เหตุไรกลับว่าเป็นแต่ละหู ก, กาบตดเล่าสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทร์มีพระราชองค์การประพาสถามอีกเล่าว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระน า, าเกษตผู้เป็นเจ้าพาสิตังเจตังพระควตาสมเด็จพระมหากรุณาที่คุณอดุลโลกาจานยานสัพพันยูเจ้ามีพระพุทธดีกล่าวว่าสัมปชานะมุสาวาทนี้ ถ้าต้องแล้วก็เรียกว่าอาบัติปาราชิกตรัสชนี้แล้วปุณจะพระนิตังนานมาครั้งหนึ่งเล่าสมเด็จพระพุทธองค์เจ้ามีพระพุทธดีกากลับเสียว่าสัมปชานะมุสาวาทนี้เป็นแต่ละหูกาบัตหาเป็นอาบัติปาราชิกไม่เป็นสเตกิชฉาพอเยียวพอยาพอจะเทสนาบัต แกพระภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งได้นี่แหละโยมพินิษพิเคราะห์ไปเห็นอยู่ว่าพระพุทธดีกาทั้งสองนี้ไม่ต้องกันจะเชื่อคำภายหลังคำก่อนนั้นก็ผิดายังปันโโหอันว่าปริศนานี้อุพัโตโกติโกมีเงื่อนเป็นสองไม่ต้องกันโยมนี้พิเคราะห์ดูปัญหานี้ให้สงสัยนักหนา นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาให้แจ้งในการบัดนี้พระนาคเสนเถระเจ้าจึงถวายพระพรวิสัชนาว่าภาสิตังเจตังมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐสมเด็จพระมหากรุณาเจ้ามีพระพุทธดีกาตรัสว่าสัมปชานะมุสาวาทนี้ถ้าภิกษุต้องแล้วก็เป็นปาราชิกครั้นแล้ว พระองค์บัญญัติอีกว่าสำปะชานะมุสาวาทนี้เป็นแต่ละหูกาบัตรพอเยียวยาพอจะเทสนาบัรได้สมเด็จพระบรมไตรโลกกน้าจเจ้าตรัสบัญญัติตามวัตถุหนักวัตถุเบาถ้าวัตถุหนักก็เป็นปาราชิกถ้าวัตถุเบาก็เป็นแต่ละหูกาบัตรตังกิงมัญสิมหาราชะ ดูราณาบ่พิษพระราชสมผานผู้ประเสริฐส่งเข้าพระไทยอย่างไรใช่กระนั้นพระพุทธดีการนี้ตรัสเป็นสองสถานจะรู้อาการโดยอุปมาเปรียบดุลหนึ่งว่าบุรุษคนหนึ่งมาประหารบ่อพิษพระราชสมผานด้วยมือบุรุษผู้หนึ่งประหารคนอื่นอันเป็นไพร่บ้านพลเมืองด้วยมือคนที่ประหารสองคนนี้ โทษเหมือนกันหรือประการใดราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าบุรุษทั้งสองนั้นมีโทษต่างกันคือบุรุษที่ประหารเขาอื่นนั้นโทษเป็นแต่ต้องปรับไหมแต่บุรุษที่ประหารโยมเข้าด้วยมือนั้น ต้องมหันตโทษทารุนร้ายกาศในพระราชกำหนดบทนั้นสาหัสสากันนักหนาหัตถปาทัชเฉทังกัตวาให้ตัดตีนสินมือสับผาเคหังวิลุมเปะยะให้ริบหรือสมบัติบ้านมเมรือนเป็นมเมรือนหลวงและของทั้งปวงก็ริบเข้าท้องพระคลังอุพโตปักเคยาวะสตะกุลังให้ฆ่าเสียซึ่งญาติของบุรุษผู้นั้น นี่แหละประหารด้วยมือเหมือนกันก็จริงแลแต่ทว่าโทษมากกว่ากันไม่เหมือนกันขณะนั้นพระนาคเษนจิงถามว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิทระราชสมภารบุรุษทั้งสองนี้ประหารด้วยมือด้วยกันก็ฉะไหนโทษจริงไม่เหมือนกันสมเด็จพระเจ้ามิลินจิงตรัสว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้า ไม่เหมือนกันด้วยลงโทษนั้นตามบรรดาศักด์และหาบรรดาศักดิ์ไม่ได้พระนาคเษนจึงถวายพระพรไปว่ามหาราชาขอถวายพระพรบวชพิษพระราชสมภารซึ่งว่าสัมปชานะมุสาวาทนั้นก็เหมือนกันสมเด็จพระสัพพันธ์อยู่ตรัสโปรดไว้ตามวัตถุเบาและหนักเหมือนหนึ่งความที่เปรียบนี้ พระภิกษุรูปใดเจรจาเป็นสัมปชานะมุสาวาทหลวงล่อให้เขาเสียทรัพย์ให้เขาชิบหายตายด้วยวาจาสัมปชานะมุสาวาตนี้เป็นอาบัติปาราชิกภิกษุผู้ใดกล่าวสัมปชานะมุสาวาตมิได้มีอธิบายจะให้เขาชิบหายอันตรายอันใดอันหนึ่งพระภิกษุนั้นต้องแต่ละหุ ก, กาบัตเบานี่แหละ พระพุทธฎีกาของสมเด็จพระสัพพันยูเจ้าจะได้เป็นสองหามิได้บพิจงเข้าพระไทยด้วยประการดังนี้พระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีได้ทรงสดับก็สิ้นสงสัยตรัสสรรเสริญว่าสาทุพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาถูกต้องแล้วโยมจะรับไว้ตามในที่พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้ทุกประการมุสาวาทะ ครุลหุภาวะปัญหาเป็นคำรบก้าวจบเพียงนี้